อันนี้ที่เมือง น, นอกอเมริกาวันหนึ่งก็เข้าไปในร้านอาหารของโรงแรมแล้วก็ไปถามพนักงานเสิร์ฟว่าไอศครีมซันเดย์เนี่ยถ้วยละเท่าไหร่พนักงานเสิร์ฟก็บอกว่าถ้วยละ50เซ็นเซนอันนี้มันก็20ปีที่แล้วนะสมัยก่อน ไอศครีมซันนี่ <c oughs> มันก็ไม่แพงมากเด็กก็ควักเงินนะเป็นเหรียญเลยเยอะแยะเลยแล้วก็นับนะเสร็จแล้วก็มาถามพนักงานเสิร์ฟว่าแล้วไอศครีมธรรมดาละเท่าไหร่เขาก็บอกว่าสามสิบห้าเซนเด็กก็นับอี ก, อกสักอีกสักพักนะพนักงานเสิร์ฟก็ก็รู้สึกว่า จะไม่ค่อยมีความอดทนแล้วเพราะว่าลูกค้านี่ที่มาสั่งซื้ออาหารในโรงแรมเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นก็รอนะว่าตกลงเด็กจะสั่งอะไรเด็กนับเงินเสร็จเด็กก็เลยบอกว่างั้นผมเอาไอศครีมธรรมดาก็แล้วกันครับทังงานเสร็จก็สักพักก็เอาไอศครีมมาให้นะมาที่โต๊ะเด็กก็กินในติมเสร็จ ก็ไปที่เคาน์เตอร์นะจ่ายเงินแล้วก็เดินออกไปพนักงานเสิร์ฟก็มาเก็บนะมาเก็บถ้วยนะ้ติมอนาะที่เด็กกินเสร็จแล้วพอหยิบถ้วยเนะี่ยก็เห็นมีเหรียญอยู่3ามเหรียญ น, นับรวมกันได้15เซนพนักงานเสิร์ฟ ได้เห็นก็อึ้งเลยนะทําไมถึงอึ้งเพราะว่าเด็กเนี่ยเขามีเงินห้าสิบเซนนะเขาจะซื้อไอศครีมซันเดย์ก็ได้แต่เขาก็อยากจะทิปให้กับพนัก ง, งานเสิร์ฟนะนะเขาอยากจะทิปให้สักสิบห้าเซนเพราะฉะนั้นเขากินได้แค่ไอศครีมธรรมดาพนัก ง, งานเสิร์ฟเนี่ยอึ้งก็เพราะว่านะตอนที่รอคอย เด็กเนี่ยว่าจะเอาอะไรเนี่ยก็คงจะนึกบนนะบนเด็กว่าเนี่ยมีเงินไม่เท่าไหรม่มีนะดันมากินนะกินไอติมในโรงแรมนะนะเสียเวลาชัดเหลือเกินนะพนักงานเสิยควางคิดแบบนี้แต่พอเจอเงินสนะิบนหะ้าเซนเนี่ยที่เด็กวางไว้ให้เนี่ยก็ทราบซึ้งในน้าใจนะของเด็กนะอยากจะกินไอศครีมซันเดย์ก็มีกินนะ เพราะเขามีห้าสิบเซนพอดีนะแต่เขาก็นึกถึงพนัก ง, งานเสิร์ฟว่านะควรจะมีค่าทิปให้เขาบ้างก็เลยยอมกินไอศครีมธรรมดานะอันนี้เป็นน้ําใจของเด็กนะซึ่งพนัก ง, งานเสิร์ฟเนี่ยคิดไม่ถึงนะเราก็เลยเสียใจยว่าเนี่ยเรานึกตำหนิดเด็กว่าเนี่ยสั่งช้าเหลือเกินไม่มีเงินแล้วจะได้มากินไอศครีมซันเดย์อีก จริงๆเขามีเงินมีเงินพอดีเลยแต่เขาไม่กินทันะ้งที่ชอบก็เพราะว่าอยากจะให้ทิปกับพนักงานเสิร์ฟอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ําใจนะเรื่องของน้ําใจเด็กซึ่งบางทีผู้ใหญ่ก็นึกไม่ถึงบางทีความมีน้ําใจของคนเราเนี่ยเรามองไม่เห็นก็เพราะว่าเราด่วนสรุปนะ อย่างที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยปรากฏว่าเกิดพายุนะพายุตอนยังคืนไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยแต่เพื่อนเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็มีไฟฉายก็พอจ ะ, อ, ะ, อ, ะอยู่ได้เอาตัวรอดได้ในภาะวะที่ไฟดับช็อกพักเนี่ยก็ มีคนมาเรียกที่หน้าประตูเขาก็ลงไปนะเพราะพรว่าเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเพิ่งย้ายมาใหม่นะก็ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันเพื่อนบ้านที่มาเรียกหน้าประตูเนี่ยเขาก็ถามขึ้นมาว่าคุณมีใครใช้ไหมเจ้าของบ้านเนี่ย ได้ยินก็นึกฉุนขึ้นมาในใจนะว่าแหมบ้านใหญ่โตทำไมแค่ไฟฉายแค่นี้เขาถึงไม่มีนะถึงมักต้องมาขอเรานี่อุสาห์มาเลือกเราเนี่ยฝนก็ยังตกพรำๆอยู่เลยนะเสียเวลาเรามากก็เลยบอกไปว่ามนะีบ้านฉันมีมีเยอะด้วยฝาคันตุกะ ก, ก็เลยพ่ดออแล้วไปนะคิดว่าไม่มีนะจะเอาไฟฉายมาให้ยืม เจ้าของบ้านฟังดูก็อึ้งเลยนะโอ้เขามีน้ําใจนะอุตส่าห์ฝ่าฝนมาเพื่อจะมาะถามเราว่าเรามีไฟฉายไหมไอ้เรานี่คิดว่าเขาเนี่ยนะจะมารบกวนเราทําให้เราลําบากต้องอุตส่าห์ลงมาฝ่ฟาฝนมาเพื่อจะถามว่ามีอะไรงานเะนี่ย <c oughs> คนเราเนี่ยนะบางทีไอ้ความด่วนสรุปของเราเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจ แเราก็นึกตำหนิเขาในใจหรือบางทีก็ตำหนิไปแล้วนะเช่นถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านท่านนึกว่าเนี่ยแขกที่มาเพื่อนบ้านที่มาเรียกหน้าบ้านเนี่ยเขาไม่มีใครายก็จะบอกว่ามีเหมือนกันนะแต่ว่าก็มีแค่อันเดียวนะให้ใครยืมไม่ได้ถ้าพูดแบบนี้ไปก็คงหน้าแตกนะเพราะว่า เพื่อนบ้านเขาไม่ได้กลไม่ต้องไม่ได้ต้องการจะมายืมนะเขาอยากจะมาให้ไว้ครั้งคนเราเนี่ยก็ด่วนสรุปนะจากสิ่งที่เรานะ่ยนึกเห็นจากภาพที่ปรากฏแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นงั้นเลยนะเขามีน้ําใจบางครั้งการด่วนสรุปนี่มันก็ทําให้เกิดปัญหายิ่งกว่าที่พูดมาอีกนะมันมี ครอบครัวหนึ่งนะพ่อเนี่ยชอบสูบบรหรี่ลูกชายเนี่ยก็เฝ้าแต่ขอร้องพ่อว่าอย่าสูบเลยนะมันอันตรายมันเป็นมะเร็งพ่อก็อยังสูบนะสุดท้ายพ่อเนี่ยเป็นมะเร็งปอดลูกชายตอนที่รู้นี่ก็ทั้งสงสารทั้งโกรธนะว่าเนี่ยพ่อเนี่ยอุตส่าห์เรอุตส่าห์ขอร้องแล้ว นะทั้งทีบง่บังคับโดยซ้ําก็ยังไม่เลิกนะตอนนี้มาเป็นมะเร็งแล้วกลายเป็นพาร์ลับ ก, กับลูกก็ต่อว่าพ่อนะว่าเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นพ่อพ่อสูบบุหรี่นะถึงต้องเป็นมะเร็งแล้วเป็นไงตอนเนี้ยนะเดือดร้อนกันไหมพ่อก็ทําำทําสีหน้านะเหมือนกับว่ายอมรับผิดเถียงไม่ขึ้นนะตอนหลังเนี่ยการของพ่อค่อยแย่ลงแย่ลง แต่ว่าลูกๆ ก, ก็ยังให้พ่อเนี่ยมารักษาตัวที่บ้านมากกอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปเช่านะอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะเพราะว่าเป็นที่ที่สงบนะอยอยู่บ้านเก่านี่พารูชันมันเยอะมามานอนที่อพาร์ตเมนต์นะอยู่สูงหน่อยนะอากาศดีนะเพราะอพาร์ตเมนต์มันตึกหลายชั้นลูกก็มาเยี่ยมพ่อนะอะเป็นอยู่ประจํำนะ ส่วนพ่อนี่ก็มีคนดูแลพ่อเนี่ยการก็แย่ลงแต่ก็พอพูดคุยอะไรได้พันหนึ่งลูกมาเยี่ยมพ่อเสร็จแล้วก็ออกไปที่ระเบียงนะเดินไปที่ระเบียงอปอกเลว่าเจอก้นบุหรี่อยู่สองสามก้นพอเห็นปุณนีพ่อนี่ลูกชายนี่โกรธมากเลยนะตรงไปด่าว่าพ่อเนี่ย ขนาดป่วยเป็นแมลงนี้ยังไม่เลิกสู่บุหรีนี่จะสู่กันไปถึงไหนนะจะตายแล้วยังไม่ยังไม่สํานึกอีกพ่อนี่ก็เถียงบอกพ่อเปล่าสู่บุรี่พ่อไม่ได้สู่นะลูกชายก็โกรธนะด่าว่าพ่ออย่าว่าสู่แล้วยังเถียงอีกนะหลักฐานมันชัดชัดอยู่แล้วพ่อกขาบอกไม่ใช่บุรีของพ่อลูกชายก็ไม่ฟังดา่าพ่ออย่า แล้วก็ออกไปได้วยความโกรธแล้วไม่กี่ไม่กี่เดือนต่อมานะพ่อก็ตายตายเพราะมะเร็งนี่แหละลูกก็จัดงานศพพ่อแล้วก็พอเสร็จงานศพแล้วก็มาเก็บข้าวเก็บของเก็บ อ, อุปกรณ์ต่างๆในห้องที่อพาร์ตเมนต์นะที่เคยให้พ่อรักษาตัวเสร็จแล้วก็พอใกล้จะเสร็จธุระนะลูกก็ ไปที่ระเบียงปรากฏว่าเห็นก้นบุหรีตอนนี้ลูกสงสั ย, ยพ่อเนี่ยในช่วงเดือนสุดท้ายพ่ออยู่ที่โรงพยาบาล น, นะและก้นบุหรีนี่มาจากไหนสักพักก็ดินเสียงคนคุยกันบนชั้นบนนะแล้วก็มีก้นบุหรีนะมันตกลงมาตกลงมาแล้วก็ ตรงมะเทีระเบียงคําตอบก็เฉลยทันทีเลยนะว่าไอ้กลนบรีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กลนบรี่ที่พ่อสูบมันเป็นก้นบรี่ที่อคนชั้นบนเนี่ยสูบแล้วก็ทิ้งลงมาถึงตอนนี้นี่เขาเรียกว่าวูบเลยนะเพราะว่าด่าพ่อไปเรียบร้อยแนละ้วด่าพ่อแรงด้วยพ่อสูบบรีก็นึกรู้สึกผิดนะที่ว่าไปด่าพ่อ นะพ่อไม่ได้ทําพ่อก็อธิบายแล้วแต่ลูกชายไม่ฟังพ่ออะไรพ่อเห็นหลักฐานเนี่ยหลักฐานคือก้นบุรีนะแต่หลักฐานนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่แปลว่าพ่อสูบบุรีใช่ไหมแต่ว่าการโยงนะ่ะการโยงนะมีก้นบุรี่อยู่ที่ระเบียงนะมันก็ต้องเป็นก้นบุรีของพ่อสิแลนะ้วพ่ อ, อยังมาเถียงได้ยังไงลูกเสียใจมากนะ แล้วก็แต่ว่าก็ไปขอโทษไม่ได้แล้วเพราะพ่อตายไปแล้วกลายเป็นความรู้สึกผิดติดข้างใจพ่อไอ้ติดข้างใจลูกนะติดข้างนี้เป็นสิบปีนะเพราะว่าด่าพ่อด้วยท่อยความที่รุนแรงไม่ไม่ฟังพ่อนะอันนี้ก็เป็นอันนี้ไม่ใช่นิทานนะเ้เรื่องที่พูดมาวันนี้ทั้งหมดเรื่องจริงหมดเลยน ะ, ะมันเป็นเรื่องที่ เชื่อเห็นว่านะอย่าด่วนสรุปนะแม้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันชวนให้เข้าใจไปว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้พระพุทธเจ้านี่ก็ตรัสเตือนไว้แล้วนะในหลักกลารามสูตรว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานนะอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะอาการน่าเชื่อถืออย่าเชื่อเพียงเพราะมันเข้ากับ ทิฐิความเห็นของตัวนะคนเราเนี่ยพอเห็นอะไรเนี่ยนะพอมันเห็นอะไรคล้ายๆกับหรือว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะสรุปทันทีไอ้คําว่าน่าจะเป็นกับความเป็นจริงนี่บางทีมันก็หนะนะ่างกันไกลนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเจออะไรเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยนึกในใจเอาไว้ได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งทงหรือฟันทงว่าใช่นะคิดอะไรก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะ เผื่อใจไว้ก่อนว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วเดี๋ยวชักพักความจริงมันก็ปรากฏเองแลคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเนื่องจากเราถูกถูกสอนให้คิดเร็วคิดไวใครคิดเก่งใครตอบก่อนเนี่ยคนนั้นเก่งนะใครตอบก่อนคนนั้นเนี่ยฉลาดนั้นมันก็ฝึกให้เราเนี่ยเวลาเจออะไรเรารีบด่วนสรุปทันทีรีบตัดสินทันทีโดยที่ไม่รู้ตัวว่าไอ้นั่นน่มันเป็นความคิด มันไม่ใช่ความจริงแต่พอไปคิดแล้วพอสูบแล้วไปไปสำคัญมาหมายเป็นความจริงเท่านี้เสร็จเลยนะเพราะความจริงอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้และบางครั้งความเสียหายนะมันมากกว่าที่เราคาดคิดเยอะแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยแล้วก็เตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยิบาเมวัสมิชะโตจงสำเร็จโดยสาพรสาเพผู้เรนตุสังกัป้าขอความดำริทั้งป่วงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจัจทร์ในวันเพนมานิโชติรโาโสยทา เหมือนแกมณีอันสว่างสวัยหวรยินดีสาพีตโยวิวาชนตูควานจานไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้ง่วงของท่านจงหายมาเตพา ว, วันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิทิคายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสู่มีอายุยืนอภิวาธนาสีริสันิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมวทันติอายุวันโนสุขังภลังครรมสีระการคืออายุวันนะสุขะภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้ ภาวะตุสัพมังคลงังขอสัพโมงคนจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาพอเราเทวดาทั้งพวงจงรักษาท่านสาพพัพภุฑานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้สาสัพธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรม สาพาสังฆานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภาวันตุเตขอควาสวัสดีทั้งหลายจงนีแก่ท่านทู้เมื่อเธอ